โจหองได้ฟังก็โกรธละ่ะขับม้ารำทวนออกมารบกับยิมเอง็งต่างฝ่ายต่างใช้ทวนเป็นอาวุธเดียกันทั้งคู่สู้รบกันเด็กสามเพลงโจหองก็เอาทวนแทงถูกยิมเอ็งตกม้าตายแล้วก็ขาบฟันฐานของยิมเอ็งลงตายไปนัันมากงอหลังห็นจะต้านทานไม่ได้ก็พาฐานที่เหลือนอกนั้นหนีกลับไปยังเมืองแหเปลี่ยน แจงเนื้อความทั้งสิ้นทั้งปวงให้แก่มาเชียวได้ทราบทุกประการเป็นอันวับสึดเล็กน้อยระหว่างเสฉวนกับฮูตโตรเริ่มแล้วข้างฝ่ายเสฉวนเสียสูญเสียชีวิต ง, งิงเองงอหลังกลับมารายงานให้มาเชียวทราบมาเชียวโกรธทีเดียวมาเชียวก็จึงว่ะ ตัวนะ่ะมีหน้าที่เป็นแตก อ, องตระเวนไปพบค่าศึกเข้าเหตุใดไม่มาบอกแกเราก่อนไปดวนรบพุ่งห้เสียทีมาดังนี้โทษตัวใหญ่หลวงนะงอหลันก็จึงพูดตามความจริงของตัวก็บอกว่าแต่โดนะ่ะเมื่อพบค่าศึกเข้าแล้วอ่ะข้าพเจ้าก็บอกแกนิมเอ๋งแล้วว่าควรจะกลับมารายงานให้ท่านทราบก่อนเป็นิมเอ๋งนะ่ะบังอาจ เขารบพุ่งแกค่าสึดจนถึงแกความปลายเองและข้าพเจ้าก็จึงแตกมาเอา้านี่งอหลังก็จะว่ากล่าวแกก็ได้ก็กล่าวแกไปอย่างนี้ตามความเป็นจริงเนี่ยงเฉียวนี่นก็จริงฆ่าโทษคืออย่างไรก็ผิดด้วยกันละ่ะแต่ก็เป็นการฆ่าโทษไว้เท่านั้นไม่ถึงกับลงโทษก็ฆ่าโทษงอหลังเข้าไว้ แล้วก็ตรวจตราตะแก้วทะหารไว้เป็นมั่นคงทีเดียวและก็แต่งหนังสือบอกเรื่องราวทั้งปวงขึ้นไปถึงเมืองเสฉวนฉบับหนึ่ง ม, มาเฉียวกระทำแบบนี้อีกฉบับหนึ่งก็ส่งไปให้เตียวหวุยได้ทัา์ทีนี้ฝ่ายโจของได้ใช้ชนะแล้วนี่ก็มีเดินมาเฉียวออกมารบพุ่งด้วยอีกหลายวันก็คิดเกรงว่ามาเฉียวนี้ก็ชำมาสงคราม มาเฉียวจะทํากลอุบายต่างๆก็ได้โจหองก็จึงสั่งเลิกกองทัพถอยกลับมาตั้งอยู่ในเมืองอันตงเปียวคับฝ่ายเปียวคับได้แจ้งดังนั้นก็จึงว่าแก่โจหองว่าตัวท่านได้ยกกองทัพออกไปก็ได้ฆ่าฟันทหารม้าเฉียวล้มตายเป็นอันมากเหตุใดอ่จึงเลิกกองทัพกลับเข้ามาเสียหระโจหองก็ตอบว่าตัวเรา แต่ทีแกข่าศึกก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นม้าเฉียวออกมารบพุ่งเป็นหลายวันเราก็คิดเกรงว่าม้าเฉียว่ะจะทำกลศึกต่างๆก็ได้และประกา น, เ, นเมื่อเราอยู่ในเมืองเงียบกุ่นนั้นกวน ร, รอได้ทำไมยแกพระเจ้าวิอองว่าจะเสียพี่น้องและทหารเอกคนหนึ่งนะเขาลำปินสังนี่ เราเนเกรงว่าจะเหมือนคํากวนรอว่าเราจรึงถอยทับกลับมาพระโจของว่าอย่างนี้ถ้าจะว่าแล้วก็กลายเป็นเหมือนว่าขิดขาดตาขาวกลัวตัวเองจะตายว่าอย่างนั้นเถอะคือเดียวครับนะเม่อพอได้ฟนะังก็คิดอย่างนั้นแหละเื่าวเราะทีเดียวแล้วก็พูดว่าตัวท่านก็เป็นเชีย ว, วงของพระเจ้าวิอ๋อง ท่านก็นเป็นทาหารเอกเหตุใดอะมาเชื่อคําหมอดูนั้นไม่ควรข้าพเจ้าจะขอคุมทาหารของข้าพเจ้ายกไปตีเอาเมืองปาเสให้ได้เองแม้โดยเมืองปาเสแล้วเมืองเสฉวนก็เหมือนอยู่ในเนื้อมือเรามีเตียวครับว่าอยานี่นะโจหงก็ตอบว่าท่านก็รู้อยู่ว่าเตียวหวุยเนี่ยมีฝีมือกล้าหาญนะ บาดนี้เตียวหุยก็มารักษาเมืองปาเสยอยู่เนี่ย mm. เหตุใดอ่ะท่านจึงร่วงดูหมิ่เตียวหุยดังนี้อืมต mm. ัวของกล่าวเช่นนี้เตียวครับก็จริงว่าคนทั้งปวงเนี่ยกลัวฝีมีเตียวหุยแต่ข้าพเจ้านี้เห็นว่าความคิดเตียวหุยน่ะมือนเด็กเจ็ดขวบข้าพเจ้าจะขอไปจับตัวเตียวหุยมาให้ได้เอง mm. เตียวครับนี่ พูอย่างนี้โจหองก็จริงว่าแล้วถัดไปทําการไม่ได้เหมือนปากว่าละใช่ทำราการได้เดี๋ยวครับก็จึงตอบว่าข้าพเจ้าจะเขียนหนังสือสัญญาไว้าทาไม่เหมือนปากว่าแล้วให้ตัดสิษะิข้าพเจ้าเสียเถอะนะเดียวครับว่าดังนี้เราก็เขียนหนังสือฐานบนไว้โจหองละ่ะและเดี๋ยวครับก็จัดแจงทหารได้สามหม ยกไปใกล้ตำบแลแพเปลี่ยนค่อยตั้งค่ายใหญ่แอบเชิงเขาสามค่ายค่ายนึงชื่อเพชรเงียมอีกค่ายนึงชื่อมองเทาอีกค่ายนึงชื่อบองเซกเพชเงียมบองเทาบองเซก3าค่า ย, าายและแบ่งทหารให้อยู่รักษาค่ายระมีน นี่เป็นสามข่ายนำฐานมาสามหมื่นเนี่ข้างฝ่ายมาเขียวนั้นก็ไม่ได้ยกออกรบพุ่งโดยแต่อย่างไรจนวันหนึ่งเตียวครับนี่มีเห็นข้าศึกตัตรูออกมาเลยก็แบ่งทานข่ายละห้าพันยกลัดทานไปจะตีเอามืองปาเสเตียวหีผู้รักษา 100, เมืองปาเสได้แจ้งดังนั้นก็ปรึกษากับลุยต๋องว่าเราจะคิดประการใดกันดี ลุยต๋งก็จริงว่าอันหุนทางหาเหล่านี้กันดานนะล้วนแต่ซอกห่วยทางเขาข้าพเจ้าจะขอทหารไปซุ่มอยู่กองตระเวณเตียวครับเนี่ยจะไม่สามารถเดินเข้ามาได้ถึงด้วยทางมันอนะจำเพาะเป็นทางซอกเขาส่วนเตียวหุยท่านท่านจงยกกองทัพออกไปรบด้วยเตียวครับแล้วข้าพเจ้าจะคุมทหารเข้าสกัดตีท้าย ก็จะจับตัวเตียวคับได้ลุยป่องชี้แจงแผนที่จะดําเนินการกับเปียวครับแบงนี้แหะเตียวอีเตวิจอมมุทะลุก็เห็นชอบด้วยก็จัดแจงฐานห้าพันให้ลุยป่องยกไปซุ่มหมอกเมืองและเตียวหิ้ก็คุมฐานหมื่นนึงยกออกไปตั้งค่ายประชิดกันอยู่เปียวหิ้ก็ขับม้าพาฐานไปร้องท้าทายเตียวครับทีเดียวเปียวคับ เดียวรับนี่ก็ยอดฐานเอกฝีมือยิ่มคนนึ่นนงได้ฝันนั้นก็โกรธขับมาออกรบกับเตียวหุยทีเดียวเตียวครับเตียวหุยสู้รบกันได้ส0มสิเพลงข้างฝ่ายลุยต่องนะ่ะเอาฐานไปซุ่มเห็นดังนั้นก็คุมฐานโอไปทางท้ายตีตักท้ายเข้ามาฆ่าฟันทหารเตียวครับลงมตายไปใ น, นมากทีเดียวเตียวครับเห็นเสียทีเช่นนั้น คือด้านหน้านี่ตนก็ต้องรบกับเตียวหุยมนาะเป็นสามารถอยู่แล้วด้านท้ายด้านหลังของกองทัพถูกมียต๋องตีสับปัดเข้ามาชนนิกเตียวขับเผมเสียทีก็ขับมาพาทหารหนีเตียวหุยก็ตามไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเลยทีเดียวลุยต๋งก็กุมฐานตีต้านหน้าไว้เตียวขับกับทหารก็แตกกระจัดกระจาย พ, พลัดพรายกันไปเตียวหุยลุยต๋องมันจบทานรวมกันเข้าแล้วก็รีบตามตีไปทีเดียว เตียวครับก็หนีเข้าค่ายเตียวหุยกับมุยต๋องกกคุมฐานเข้าตีค่ายเพิกเงียบแล้วก็อยฐานยิงเกาทันอ่าทุ่มทุ้งก้อนฟิราเข้าไปเป็นอันมากฝ่ายเตียวครับมันมึกกลับเข้าค่ายได้แล้วเนี่ยก็อ้ฐ า, านรักษาค่ายเป็นมั่นคงเตียวหุยเห็นดังนั้นก็คุมฐานถอยออกมาตั้งค่ายหยุดทางห่างกันประมาณร้อยเซก เรียกว่าประมาณสักห้ากิโลเมตรครั้งรุ่งเช้าก็ให้ทหารไปร้องท้าทายอีกฝ่ายเตียวครับอาสาออกมานี่ถึงกับทำหนังสือทันบนไปแล้วนะจะจับตัวเตียวหุยให้ได้บัดนี้เตียวครับก็สั่งให้ฐานรักษาค่ายมั่นไว้ไม่สู้แต่เตียวครับขึ้นไปเล่นกระจับปีสีซออยู่บนเนินเขารุ่น เตียวหุยเคยถามไปร้องดา่าเตียวครับเป็นข้อหยาบชาญหลายครั้งเตียวครับก็มีได้ยกลงมารบพุ่งด้วยเตียวครับจะทําอุบายอย่างไรก็ไม่รู้จะยั่วโทษสะเตียวหุยให้หนักยิ่งขึ้นไว้อย่างไรก็ตามเถอะเตียวหุยส่งทหารไปร้องด่าท้าทายเตียวครับก็ทําเฉยเล่นกระจับปีสีซอเพลินอยู่บนยอดเขาลูกเตียวหุย ก, ก็ต้องคุมทหานกลับเข้ามาคายคุมทหาน ร่ารุ่งเช้าเตียวหุยก็ยออกออกไปทถารไปร้องด่าว่าต่างๆน า, นานาประการจะน่าจะว่าประการดาอย่างไรอย่างไรเตียวครับก็นหนิงเสียเล่นแต่โมโหรีอยู่บนภูเขานั่นแหละฝ่ายลุยต๋องต้องเรียกว่าที่ปรึกษาของเตียวหุยเห็นดังนั้นก็กุมหารก็ตีไข่เทคนิคเป็นสามารถเตียวคับก็ให้ทหารรักษาไข่มั่นคงทุ่งทิ้งกอ้อนศิลาลงมาถูกทหารของเตียวหุย ป่วยเจ็บเป็นหลายคนเตียวหุยค่อยถอยออกมาคือทําอะไรไม่ได้เหมือนกันแล้วค่อยานไปร้องดา่าทาทายเตียวคับเป็นไรมากเตียวคับค่อยทหารร้องด่าษตอบลงมาเหมือนกันโดยมีการเสี่ยงสอนเสร็จเรียบร้อยเลยทีเดียวละเรียกว่าขุดนั่งเดินขึ้นมาด่ากันเลยละ่ะว่าไอเ้เตียวหุยไอ้คนขายสุรา <c oughs> ด่าว่าไอ้คนขายสุราหนี เขาต้องโกรธมากเพราะบัตนี้เขาเป็นนายฐานเอกฐานกล้าเป็นน้องชายร่วมสาบานของเหล่ายืนเป่ปีนี่เตียวิุยโกรธแต่ก็ไม่รู้จะทอย่างไรทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่รอกันอยู่นั้นถึงห้าสิบวันเตียวิุยก็เสพซูราเมาคือทํำอะไรไม่ได้หนะักเข้านี่ก็แเติมเองเนก็ชอบเสพซูราอยู่ด้วยอ่ะก็เสพซูราเมาหนะักกข้าอีก ได้ฐานไปร้องด่าดเตียวครับอยู่ทุกวันแต่เตียวครับก็ไม่ได้ยกออกมารบพุงเลยแต่อย่างใดทีนี้ข้างฝ่ายทหารที่เอาสเสบียงจากเสฉวนมาส่งเตียวหุยยังเมืองปาเสเนี่ยก็รู้สาเหตุการณ์ทั้งสิ่งทั้งบวงเนี่ยครั้งกลับไปเมืองเสฉวน เอาเนื้อความเหล่าเนี่ไปแจ้งแก่เหล่าปีว่าเตียวฮุยเนี่ยไปตั้งรอกันอยู่กับกองทัพเตียวครับมาถึงห้าสิบวันและเตียวหวุยก็เสพสุรามเมาแล้วก็แกล้งให้ฐานไปร้องด่าเตียวครับเป็นข้อหยาบช้าทุกเวลาแต่เตียวครับก็ไม่ได้ออกมารบพุ่งด้วยนี่ปรายงานอย่างนี้ไปถึงเหล่าปีละเหล่าปีได้แจ้งดัง น, นั้น เขต้ปรึกษากับท่านอาจารย์หกหลงขงเบงจูกักเหลียงละ่ะว่าเตียวหวุยไปทำศึกกนแตเสกสุราชเนียเราจะคิดประการใดขงเบงก็จริงว่าซึ่งเตียวหวยเป็นชะนีเพราะดูฮกหลงเถอท่านประมาณการหีอัศจรรย์นะท่านว่าซึ่งเตียวหวีเป็นชะนี้เพราะ ไม่มีสุรารถเข้มในกองทัพขอให้จักสุรากลังเข้มสักห้าสิบไหส่งไปให้เอาละคงไม่ไหวอย่างนี้พระปีริฟังก็จึงว่าท่านหกหลงเมื่อเตียวหุยเสพสุรามน่ะครั้งใดก็เสียการทุกทีไปแต่ครั้งก่อนนะ่ะเสียบ้านเสียเมืองมานนิ ก, ก็เพราะเตียวหุยอะ่ะ เหตุใดอ่ะท่านยังแย่ส่งสุราที่มีรสอันเข้มไปให้อีกเล่าเมื่อเตียวหวีกินเข้าไปมากแล้วการสุดจะไม่เสียไปหรืองเบ่งผู้มั่นใจในตนเองเป็นที่ยิ่งเด็กฟังเดงนี้ก็กลับวระแล้วก็บอกว่าท่านเป็นพี่น้องกันมาชานานแล้วแต่ไม่ได้รู้จักน้ำใจเตียวหวีเลย แต่ก่อนนั้นเตียวหุยเป็นคนองอาจวุ่นวามแต่ครั้นยกมาตีเมืองเสฉวนเนี่ยข้าพเจ้าได้เห็นแล้วว่าเตียวหุยน้องร่วมสาบานท่านเนี่ยละพยศอันร้ายเสียคิดจับตัวเงียนงันพูดเท่าฝีมือชะกันได้ด้วยปัญญาก็เป็นนิมิตประกอบบุญท่านอยู่แล้วซึ่งเตียวหุย ยังให้ทหารออกไปด่าดเตียวครับทุกวันและเสพสุราทุกวันนั่นเพราะเตียวฮุยจะทํากลมอุบายเออคงไม่ไหวอย่างนี้คือไม่มองอยู่ด้านเดียวอย่างเดียวว่าเตียวฮุยเคยเลวเคยร้ายเคยกินเหล้ า, มาเมาเสียบ้านเสียเมืองมาก่อนคงไม่กลับไม่มองอย่างนั้นยอมรับคุณงานความดีที่เตียวฮุยมีอยู่บ้างในตอนที่ยกทัพมาถูงเสฉวนเนี่ยได้ชายชนะแกงเมียบงันด้วยปัญญา ได้ตัวเงินเงินมาเปียวฮุยนำทัพเข้ามาถึงเสฉวนช่วยเราปีได้ทําเวลาได้ทันทุกทีนี่นี่เป็นคุณความดีเตียวฮุยมีอยู่คงไม่ยอมมองอย่างนี้ก็จึงชี้แจงให้เราปีฟังเช่นเนี้ว่าเตียวหุยจะทํากลอุบายเล่าปีก็จริงว่าแต่ข้าพเจ้ายังไม่ไว้ใจเลยจะต้องให้อุีเอียนไปช่วยเล่าปีไวาอย่างนี้คือเชื่อก็เชื่อเหมือนกันแหละ แต่ก็ยังเชื่อไม่หมดไม่ไว้ใจได้ว่าแล้วเราปีก็ตามให้จัดแจงสุรากลั่มรถเข้มใส่ใสยไหย้มันทุกเต็มไปเลยสามกวียนี่มีธงจารึกอักษรด้วยว่าเตียวหวิเร่งทำการรห้มีชายชนะแก่เตียวรับให้ได้แล้วก็มอบให้อุเอียนไปให้อุเอียนไปช่วยด้วย วิเอียนก็รับคำคำมะบลาหลอกปีแล้วก็พาทหารคุมเกวียนสุราเดินทางมายังเมืองปาเสระแล้วก็ไปะะถึงข่ายเตียวหุยละ่ะแล้วก็บอกเนื้อความแก่เตียวหุยทุกประการเตียวหุยได้แจง้งโดยนั้นก็มีใจ ย, ยินดีก็สั่งลุยต่องกับวุเอีนว่าเราจะเลี้ยงทหารให้มีใจกำเริบคือว่าให้มีกำลังใจขึ้นนหะ ทั้งทั้งสองเนี่ยจงคอยดูให้เป็นสุขเถอะถ้าแม้นเห็นเรายกธงแดงขึ้นเมื่อไรให้คุมหางก็โจมตีเตียวครับแล้วก็ถูกหุนเหมือนรูปของเราเนี่ซ่อนไว้นี่เตียววิสังอย่างนี้ดูเถอดเตียววิจะดํมือนอูบายยังหกหลงเลยตามรอยหกหลงของเบ่งละ่ะเตียววิสั่งการอย่างนี้ครั้งเวลาเย็น เดี๋ว้ยก็สั่งเอาซูรารถเข็มเัินแหละที่ได้มันจากเสฉวนน่ะออกเนี้แต่ถางท่านปวงแล้วก็ตีคองโวร้องอื้ออึงอยู่ในค่ายนี่แหละเอากันให้เป็นที่เออกระเรกทีเดียวฝ่ายทหารของเตียวครับคือเป็นธรรมดาอะเตียวครับก็ต้องส่งกองสอบแนมออกมาพวกฐานเหล่านี้ก็มารอบดูเหตุดูการทั้งหลายท้งปวง ต, ต่างๆมาเรานี่เห็นการทันนี้เขาก็ไปบอกแกเตียวครับละ่ะ บอกไปอย่างนี้ในค่ายเตียวหุยนี่กําลังสนุกกันเหลือกเกินละ่ะเตียวคับได้แจ้งดังนั้นก็พาทหารที่มาบอกเนี่ยลอบขึ้นไปดูบนเนินเขาริมค่ายก็เห็นเตียวหุยนั่งเสพสุราแล้วก็ให้ทหารปล้ำกันอยู่นี่เป็นเรื่องความสนุกในการเล่นของทหารละ่ะก็มีการต่อสู้กันเนี่ก็กอดรัดฟัดเวียงปล้ำต่อสู้กันอยู่ออาเตียวคับเห็นเช่นนั้นก็กลับมาค่าย แล้วก็คิดทีเดียวว่าเดียวครับเนี่ยเห็นเราม่กล้าออกรบพุ่งด้วยจึงมีใจกำเริบเล่นเอกะเระดืออยู่มิได้คิดเกรงแกเราเลยเปียวครับว่าดังนี้นะแล้วก็จริงสั่งแกฐานว่าเวลาข้าวันนี้เราจะยกเข้าปล้นค่ายเตียวหุยให้ฐานค่ายบองเทากับค่ายบองเซ็ก ยะเข้ามารบกระหนาบซ้ายขวานี่คือแผนการของเตียวครับที่จะบทขยี้เตียวอีเต้หุยให้จมได้ชะนี้ละ่ะฝ่ายทางข้างเตียวหุยนั่นละ่ะครั้นเวลากลางคืนคืนนั้นน่ะเป็นคืนที่เดือนสว่างเตียวหุยก็เอาหุน ทำหุนใส่เสือ้อนั่งถือจอกสุราทําท่าทําทางวัดดื่มสุราอยู่นี่และมีทหารเข้ามาขอรับใช้เป็นหลายคนทําหุ่นไว้อย่างนั้นส่วนตัวเตียวหีนั้นไปซุ่มอยู่แล้วให้อุยเอียนลุยต๋องจัดแจงทหารเตรียมเข้าไว้เรุ่ราวของสามกกนะครับ กระเดิเมือมาเมื่อวานนี้เอากันเป็นว่าเราต้องย้อนไปนิดมนึงพูดถึงปวนหลอหมอวิเศษน่ได้ทำหายไว้ว่าเมืองหลวงจะเกิดเพลินไม่เอาก็เกิดผ่านไปแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ทางด้านเสฉวนตังฉวนฮันโต้วว่าจะต้องสูญเสียแม่ทัพนายกองทหารเอกเนี่ยและเป็นอย่างไร นะครับก็ทุนทนร่วมแสของโจมิงเตะคือโจหองเนี่ยว่ากันตามความคิดของเตียวครับเขงนะครับเตียวครับว่าโจหองเนี่ยขี้ขลาดไม่กล้าไปสู้กับมาเฉียวเตียวหุยเตียวครับอาสาออกไปเลยทีเดียวแล้วท่านต้องซือทานบนไว้ด้วยจะต้องจับเตียวหุยให้ได้เนี่ยทีนี้มาดูทางด้านเตียวหุยเตียวอีเต้ฮุยกำลังดําเหมิน เรียกันว่าเป็นคนอุบอึกซึ้งทีเดียวะ่ะนี่อาจจะเป็นด้ ว, วัเดเตียวหุยเอ่อได้มีโอกาสอยู่ใกล้คิดคนดีมีปัญญาคืออยู่กับคงเบ่งนี่เตียวฮุยก็เก็บแผนการต่างของคงเบ่งมาใช้ละ่ะคือเตียวหุยแกล้งเมากินเหล้าต่างๆมามาประการข่าวนี้รู้ไปถึงเสฉวนเราปีวิโตคงเบ่งวัเลาะเลยคงเบ่งบอกว่า หสหรงสุรารดเข้มไปเลยห้าสิบไผ่เพราะเตียวหุยจะดําเนินอุบายเอาชนะเตียวขับแหละนี่ผมเบ่งอ่านเตียวหุยออกรอบปีเองแท้ๆยังอ่านไม่ออกคือยังมีใจปัดอยู่ว่าไอขี้เมา่นี่ยังปัดอย่อยางนั้นก็คงเบ่งไม่อ่านเช่นนั้นก็อ่านว่าเตียวหุยเนี่ยกำลัง <c oughs> วางแผนการอันรุ่งซึ้งละ่ะ ผี่จะเอาชัยชนะขาดเสึอขยุ่มได้ล่ะนี่รอส่งสุรารสเข้มใบมีเตียวหุยสั่งเรียงสุราเรียงทหารทั้งปวงแล้วก็สั่งให้คือกินกันให้เออกระเลิกไ <c oughs> ปคองโหรองอี้อืงอยู่ในค่ายด้วยเนี่ยนี่ข่างเตียวครับนี่ก็เห็นเท่าที่ตนเห็นคือเห็นกเตียวหุยเมาไม้ทหารกินเล่าเออกระเริกกันอยู่นี่ก็สั่งการที่จะเข้า ดทขยี่เปียวหุยเลยทีเดียวแต่แล้วแผนการของเตียวหุยจะเป็นไปตามที่คงไม่มีความเชื่อถืออยู่หรือไม่หรือจะเป็นดังที่เราปีคิดอยู่ว่าเตียวหุยขี้เมาจนเสียเมืองหรือประการใดเป็นทางเลือเดียวครับส่งทหารเพื่อจะไปปล้นข่ายตีเกลนาเตียวหุยอ่ะ เตียวหุยก็เอาหุ่นมาเอาเสื้อมาดสายให้หุน่นคือทําเป็นรูปของเตียวหุยนั่งถือเจาะสุราเป็นทีว่าจะดืม่มคือถ้ามองแต่ไกลๆ ก, ก, ก, ก็เห็นลักษณะนั้นพวกทหารกองสอดแมนมจะเข้ามามองไกลๆนะเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีทหารเข้ามาคอยรับใช้จุลมุนเป็นหลายคนเตียวหุยทําหุ่นทาตัวปลอมไว้อยู่อย่างนั้นส่วนตัวเตียวหุยนั้นก็ไปซุ่มอยู่ข้างนอก แล้วให้วีเหียงลีตองจัดทหารเตรียมเขาไว้ด้วยข้างฝ่ายเตียวขับคุมทหารมาถึงหน้าค่ายเตียวหุยล่ะก็เห็นเห็นเปียวหุยนั่งเสด็จูฮายอยู่เช่นนั้นก็สำคัญว่าเป็นเตียวหุยจริงหารู้ไหมว่าเป็นแต่รูปเป็นแต่หุนเตียวรับมันขับทหารโจมตีหัดเข้าไปในค่ายได้เพราะไม่มีการป้องกัน ให้ขับม้าเข้าไปเอาทวนแทงรูปเตียวหุยซึ่งนั่งเซตุลาอยู่นั่นแหละก็ตะลุยม้าเข้าไปถึงเตียวหุยก็ยังนั่งอยู่อย่างนั้นเพราะไม่ใช่เตียวหุีมันเป็นหุนเตียวขับพอเห็นว่าเป็นหุนเท่านั้นเองตกใจควบม้าจะกลับออกจะคายเตียวหุยก็ขี่ม้าออกมาประทะทีเดียวร้องประกาศก้องทีเดียววะ่ะตัวกูชื่อเตียวหุยแล้วก็ขับม้าเขารบกับเปียวขับ เตียวขับก็หยดฝีมือสู้รบกับเปียวหุยได้สาสิบเพลงทั้งที่ตกอยู่ในที่รอมขณะเมื่อเตียวหุยกับเตียวขับรบกันอยู่นั้นทหารทั้งสองข่ายก็ยกมาจะคอยกระนาบอะทหารของเตียวคับอีกสองข่ายน่ะก็มาพบกับมีเอียนกับมีป๋องออกสกัดอยู่มีเอียนมีป๋องขับมาเข้ารบตีฐานสองกองของเตียวคับมันแตกกลับไปแล้วมีเอียนมีป๋องก็ยกเข้ามา ตีค่ายเตียวคับได้มีเอียนลุยป๋องเมื่อตีค่ายเตียวครับได้แล้วขณะนี้เตียวครับมารบอยู่กับเตียวหุยในค่ายของเตียวหุยมีเอียนมียองตีค่ายของเตียวคับได้เนี่ยก็เอาเพลิงจุดเผาค่ายเตียวครับทั้งสามค่ายเลยทีเดียวเตียวครับเห็นแสงเพลิงสว่างโรอยู่นู่นทิศทางที่ตั้งค่ายแห่งตนน่ะก็รู้ว่าตนเสียค่ายแล้ว เสียกนเตียวหวุยเข้าแล้วเตียวหวุยหลอกให้มาตีทางนี้แต่เราส่งคนไปตีค่ายตรมทางนู้เดเตียวขับรูดฉะนั้นก็ควบมาหนีไปยังด่านอ้วนเท่าขวนญเตียวขับหนีเตียวหวุยนั้นกันได้ชนะแล้วเนี่ยฐ า, านตะบวงก็กลับมาค่ายรายงานความสูญเสียความเบ็ดเป็ดตะบวงเรียบร้อยแล้วเตียวหวีนั้นก็ให้ทําหนังสือ แก้งข้าราชการต่างๆนานาประการทัหมดที่ตนกระทำแล้วเนี่ยให้มาใช้ถือสื่นี้ไปแจ้งข้าราชการแก่เล่าปีเล่าปีได้แจ้งดังนั้นก็มีความยินดีก็จึงเลเตียวหุยเศษสุราเป็นกลอุบายเหมือนที่คงเบ้งว่าแท้เพียวข้างฝายเตียวครับนะมีทหารมาสามหม0่นนะ บัตรนี้เตียวครับสูญเสียทหารไปประมาณสองหมื่นก็พาทหารประมาณหมืนหนึ่งเท่าที่เหลือนั่นแหละไปตั้งอยู่ด่านอ้วนเท้าขวนแล้วก็ส่งทหารให้ไปบอกแกโจหองให้ยกมาช่วยเตียวครับผู้ทำหนังสือให้ทันบนกแกโจหองไว้ว่าจะต้องจับเตียวหุยให้ได้ถ้าจับเตียวหุยไม่ได้ก็จะตัดหัวของตัวเองเนี่ยแต่บัตรนี้ ภายแพยับเยินเหนือทหารประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นไปอยู่ด่านอ้วนเท่าก๋วยนังซื้อไปขอให้โจของช่วยนี่นโจของก็โกรธก็จริงว่าเราได้ห้ามแล้วก็ไม่ฟังกันคืนยกไะรบกับเปียวหุยจนเสียท่วงทีชนิดเลยยังใช่เรายกไปช่วยอีกเราและที่โจของโกรธเกียวขับมากจีประการหนึ่งนั้นก็คือเปียวคับจ่วงจากโจของไว้ทีเดียว วกไปเชื่อคําหมอดูนี่จหองโกรธและแบบนี้เตียวครับก็แพ้มาด้วยอย่างเนี้โจหองก็สั่งทหารที่ไปเนี่ยทหารของเตียวครับที่มาแจ้งเนี่ยว่าให้เตียวครับเร่งยกออกรบกับเตียวหวยเอาชัยชนะให้จงได้จหองสั่งกลับไปชนิดโดยนี้ไในํากําลังสมภพไปช่วยหรือเพิ่มเติมไปอย่างไรหรอกทหารของเตียวครับไปขอกําลังโจหอง ไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วยังได้คำสั่งอันทีดว่าเป็นคำตายกลับมาด้วยฉะ่นนี้ทหารก็กลับมาบอ ก, กบแกเตียวครับตามคำโจหองว่านี่แหละให้นํำทหารออกรบกับเตียวหุยเอาชัยชนะให้ได้เตียวครับได้ทราบดังนั้นก็คิดมิตกนักกแต่กองตนมีทหารสาม0 0ื่นยังเอาชัยชนะเตียวหุยมิได้บบบ น, นี้ ฐานเหลืออยู่ประมาณหมื่นเดียวเท่านั้นละ่ะก็จริงเกินฐานกองเลยในจำนวนที่เหลือเนี่ยจะเป็นกองนึงให้ไปตั้งซุมนหยุดทางน้อยริมเชิญเขาทางหน้าดา่านหน้าดา่านอุลเทาขวนนี่แล้วก็ใส่ว่าแต่เราจะยกแต่รถกับเตียวหุยถ้าเตียวหุยไล่เรามาทางนี้ให้ยกออกรบสักแต่เอาไทยชนะให้จงได้ เตียวครับสั่งฐานของตอนแบบนี้แล้วคือวางแผนแบบนี้จะไปล่อเอวุ้ยมาครั้งรุ่ยเช้าเตียวครับก็ยกฐานออกจาก ค, ค่ายก็ไปพบกับลุยต๋องยกมาเตียวครับก็ขับมาเข้ารบกับลุยต๋องด้ห้าเพลงและเตียวครับก็ทําเป็นถอยหนีทานลุยต๋องน่ะไม่รู้กลัวไหมเตียวครับกดติดตามไปถึงทางน้อยซึ่งฐารของเตียวครับซุ่มอยู่กองนึ่งน่ะฐานกองซุ่มมัน รวมกันออกมาส ก, กัดรบลุยตองฝ่ายเตียวครับเห็นดังนั้นคือทําเป็นหนีไปเมื่อกองสุ้มารุมรบลุยตองอย่างนี้เตียวครับก็ตลบมากลับมารบกับลุยต๋องในที่สุดเตียวครับพู้มีฝีมือัเนเหนือกวา่าก็เอาทวนแทงลุยต๋องตอกมาตายหานทั้งพวงของลุยตองก็เรียกว่าฐานของเตียวหุย้วยก็ได้ก็แต่งหนีกลับไปค่ายฐานเรานี่ก็เลือความไปแจ้งกแกเตียวหุยล่ะ ว่าลุยต้องน่ะไปเสียชีวิตซะแล้วกับเจ้าทั้งวมพ่ายแพ้กเตียวขับมาเนี่ยเตียวหุยโกรธทีเดียวคุ้หนานรีบไปเตียวขับเห็นจะนี้ก็ขับมาเข้ามารบกับเตียวหุยเตียวขับเตียวหุยสู้รบก็ได้อีกห้าเพลย์เตียวขับก็ทําเป็นแพ้ชักม้าหนีแต่เตียวหุยเนี่ยแจ้งในกลเตียวขับได้ดีเพราะเตียวหุยคนนี้ไม่ใช่คนก่อนแล้วไม่ใช่จะรบตะวินุทะลุอย่างเดียว รู้อยู่วันลุยตองก็ไปโดนอุบายเนี่ยเขาหนีไล่าตามไปตกในที่ล้อมเขาแล้วเตียวครับก็เล่นเพลงเดินเนี่ยทําเป็นหนีเพื่อจะลวนเตียวฮุยไปตกอยู่ในวงล้อมอีกนะเตียวฮุยรู้คนเตียวครับก็ยับยังมาอยู่ไม่ได้รายติดตามไปอย่างไดเตียวครับเห็นเตียวหุยไม่ตามก็กลับมาฉางมากลับมารบกับเตียวฮุยรบไปอีกห้าเพลงแล้วก็ทําเป็นหนีอ เียวหุยเห็นชนี้ก็ไม่ได้ติดตามและไม่ได้รังรออยู่พาทหารกลับเข้าค่ายไม่รบด้วยเลยมันลบและททำเป็นหนีลบแล้วทำเป็นลอกจะให้ไล่ก็ไม่ไล่เตียวหุยกลับเข้าค่ายแล้วก็พูดกับปุเยเอียนว่าบัตรนี้อ่ะเปียวครับทกลมซุ่มทหารไว้ลวงลุยต๋องไปฆ่าเสียแล้ว แล่ยังจะลวงเราด้วยเคลนี้อีกเราดีแล้วเราจะคิดซ้อนอกเปียลขับให้จงได้เตียวห้ ว, ว่าอย่างนี้อุเอียงก็ถามว่าท่านจะทําประการใดเตียวนีวว้ก็จึงว่าพรุ่ง น, นี้เราจะออกรบกับเตียวขับท่านจนคนางคุมทหารไปซุ่มอยู่ข้างหลังทหาเรเตียวขับที่ซุ่มไว้ณทิศทาง น, น้อยนะ่ะและแบ่งฐาน ไปขนหญ้าแห้งบรรทุกเกวยนไว้จุงมาเราจะไล่ตามเตียวครับเข้าไปตามที่มันล่อให้เราไหล่อะไะเราจะไล่ตามเข้าไปให้ไปถึงทางน้อยที่มันซุ่มตาลไว้นะ่ะแล้วท่านาาา ก, ก, ก็เผาย่าปิดสกัดต้มทางปลายทางเสียมีและวเห็นว่าเราจะจับตัวเตียวครับได้เป็นมั่นคงเตียวหุยซ่อนกลุ่มแนี้โดยให้หุยเอียนไปกระนาบานี่พิงมีเอียงก็รับคํา ควั้งเวลาใกล้รุง่งก็คุมทหารไปซุ่มอยู่ตามที่เตียวหีสังรุ่งเชา้ามีอุยเห็นแต่ซุ่มแล้วนะพอรุ่งเช้าเนี่ยเตียวหีก็คุมทหารออกไปที่รถทีเดียวออกสู่ยุทธภูมิที่เขาจะล่อหลอกตรงนัะขห่างเตียวครับเห็นที่ไหนก็ขับมา้าออกมาก็รบกับเตียวหี ซู้รถก็ได้สืบเพลงเตียวครับก็ใช้เพลงเก่าจริงๆอีกแหละคือทําเป็นชัดมาถอยหนีเตียวนี้ก็ไล่ตามละครนี้เพราะพิ่นวานไม่กล้าไล่ตามก็เกรงจะไปตกในวงล้อมเขาแต่บัด น, นี้ที่เตียวหุ้ยไล่ตามก็เพราคิดซ้อนโกลว์แล้วให้อูเ๋เย็นไปกระหนาอีกชั้นหนึ่งแล้วนี่เราวนี้เตีวหุ้ยก็ไล่ตามไปจนไปถึงทางน้อยนึงเตียวครับก็หันกลับมาสู้รบอยู่เป็นชาา้านาน ก็ไม่เห็นทัพของตนที่เอาไปซุ่มีกเกลนานอะบกมาสักทีเจียวคับไม่เห็นกองทัพของตนที่ให้ไปซุ่มไว้ออกมาปีกเกลนานะสักทีฝ่ายอุยอีนั้นขีดเกวียนเชื้อเพลิงไปนะได้รบพุ่งท่าฟันฐานเดียวครับร้มตายไป น, นั้นมากแล้วอะแล้วก็เพลิงจุดขึ้นทั้งต้นทางทางปลายทางด้วย กองสุ่มของเปียวครับถูกอุเอียนทําลายหมดแล้วนี่และบัดนี้อุเอียนได้จุดเพลิงขึ้นทางพุ่มทางปลายทางนั้นนึ่งเป็นทางน้อยทางแค่เตียวครับอยู่อ่างกลางเห็นเพลิงไหม้เข้ามาก็พาฐานหนีข้ามเขาไปหนีไปได้เตียวครับหนีข้ามภูเขาไปถึงดาเออเ่านอ้วนเทาากวนก็เข้าไปในด่านแล้วแพทย์ ร, รักษาด่านมั่นคงไว้ นี่เป็นความยับเยิยนของเตียวคัดอีกครั้งฝ่ายเตียวฮุยนั้นก็คุมงานเข้ามาบรรจอ ก, กันทั้งกองของฮียเอ๋นด้วยแล้วก็ยกติดตามไปตีด่านเอือนเทาอ้วนเตียวหุยตีอยู่9วันสิบวันก็ยังไม่ได้เตียวขับรักษาดา่านเอือนเทาอ้วนไว้มั่นคงซึ่งเวลาไปสิบวันไม่สําเร็จ เตียวยก็พาฐานถอยออกมาตั้งค่ายอยู่ทางไกลด่านประมาณสองเซนและเตียวหุก็พาฐานประมาณยี่2ิี่ยี่้าคนตนั้นแหละกับมีเห็น้วยคนนี้ไปเที่ยวดูทาไปเที่ยวดูตามทางสอกหุ่ยเนินเขาว่าจะเป็นอย่างไรประการไดมีเตียวหี ย, ยกิจ จะจำเอาแผนการของหกหลงขงเด่งมาใช้ยดูดดูเจวีเขากระทำนี่ออกไปประมาณ2ี่สบกว่าคนแบบนั้นแหละไปดูนทางต่างๆทางนั้นกกันบางนะมีจำพาะที่จะข้ามเขาเท่านั้นแหละจึงจะมาได้ก็พอดีเดาเห็นชาวบ้านห้าคนหาครนมาตามเมินเขานัา่นน่ะ เียก็มองดูว่คนทั้งห้า น, นจะไปทางไหนจะไปอย่างไรกันมันไม่มีรูปทางเลยเตียวฮุยจะตามมองดูก็เห็นว่าคนทั้งห้านั่นแหละย้อนตัวลงไปตามเขาวันด้วยพวกขาว น, านั้นสูงชะ ง, ง่อเง้มต้องไปเขาวันลงไปเียวก็ห้ามปรามหาด้บวงไว้ว่าจะวุ่นวายไปและเตียวฮุยก็ลงจากหลังมา้าพาอุยเอียนเดินเข้าไปหาชาวบ้าน และก็สอบถามว่าท่านอยู่บ้านใดเมืองใดมาจากไหนจะไปไหนไปมาอย่างไรกันเนี่ยคนทั้งห้าก็บอกว่าขับเจาเป็นชาวเมืองฮันตงก็มาเที่ยวค้าขายครั้งจะกลับไปเมืองฮันตงตามทางหลวงทางใหญ่หรือนะก็กลัวกองทัพที่มาตั้งอยู่นัาดานอื้อนเทาาขวัเนี่ยคือกลัวกองทัพเกียวหีนี่แหละก็จึงพาการ์ลหนีมาทางนี้ เกียวฮุยก็ถามพี่ว่ารถทางนี้เนี่ยมันไปถึงไหนจาจคนทั้งห้าก็บอกว่าทางนี้เป็นทางน้อยเป็นทางลับจำเพาะที่จะเดินไปเข้าทางท้ายด่านเอวนเท้ากวนได้เตียวหุยได้ฟางความฉันนี้ก็ยินดียิ่งๆๆนักทีเดียวรู้ทางลับที่จะเข้าทางท้ายด่านนี่เตียวฮุยก็พาพ่อค้าห้าคนมาค่ายมายังค่ายตน แล้วก็เรียงดูเปน็นทันนีแล้วก็สั่งอีเยนว่าพรุ่งนี้ท่านจงคุมฐากนกองไปตีข้างด่านเอ้อมเท้าป่วนทางข้างหน้าโจมตีทางด้านหน้าส่วนเราจะจัด ก, การคับลอกฐานที่กล้าแข็งและฝีมีดสักห้าร้อยและใช่พอคาเราเนี่ยนำไปทางราับเข้าไปตีทางท้ายด่านคงสาเร็จเป็นแน่ อุยเอียนก็เห็นชอบด้วยเป็นความจริงเพราะว่าก็ออกไปดูทานเด็กดำดูภูมิประเทศเด็กดั น, นี่อุยเอียนก็เห็นด้วยอกระแผนการนี้ทีเดียวว่าดีแม่ละ่ะครัอนรุ่งชเช้าเตี๋ยวหยวยกอกขัาวเลือกทหารติดกล้าแข็งได้ 500. ห้าร้อยก้อยเพราะขานี่แหละเป็นผู้นำไปตามทางวัดส่วนอุยเอียนนั้นก็คุมฐานกองหนึ่งยกไปทางน้าด่าง อวนเท่าขวนฝ่ายเตียวขับต้องด้ย่างแยะเสียทีเตียวหนีมาแล้วเนี่ยคือถุกไฟต้มทางปลายทางจนกระทั่งต้องนีข้ามภูเขาเนี่ยมันระหโระเหินเป็นที่สุดแต่ชีวิตไม่รอดกลับมาเนี่ยและฐานที่ไปซุ่มปีกระหนาบเนี่ยเออเตียวรับก็ไม่รู้ คอ ย, อยู่กันคืนนึก็ยังไม่เ็นกลับมาฐานกองซุ่นที่ส่งไปสุ่มได้ผลในตอนแรกที่บรขยี้ลุยป้องตายไปได้嘛แต่กองซุ่นเนี่ยแหบรขยี้เดียวหุยเนี่ยไม่ออกมาช่วยด้วยมันไปนข้อห น, นึ่งข้อสองนี่จนคืนนแล้วยังไม่กลับมาเนี่ความจริงอุยเอียนทาลายแหลกล้านไปแล้วเนืบอคอยอยู่เนี่ยก็ไม่กลับมา ก็คิดกตกอยู่ก็พนดีมีทาหารเข้ามาบอกว่าบัด น, นี้ทางหน้าด่านนั้นมีเอี่ยนคุมทาหารมาร้องท้าทายอยู่เดียวครับเดยตอนนั้นก็โกรธแต่งตัวใส่เกราะถือทวนออกมาถึงประตูไข่ขนาดนั้นก็พอดีแกทาหารทางด้านหลังด่านก็วิ่งก็มารายงานว่าบัดนี้มีทาหารหน่วยลึกลอกก็มาจุดทเวนด้านหลังด่านถึงห้าตำบล แล้วก็คุมหัรตีเข้ามาถึงท้ายด่านแล้วเดียวครับได้แก่นันก็ตกใจทีเดียวกลับมาไม่ทันถึงท้ายด่านก็เห็นเตียวหิวคุมทหารเข้ามาไล่ข้าฟันทหารในด่านน่ะล้มปายเป็นมันมากเดียวครับก็ขับมามาทังหน้าด่านเตียวขับไม่กล้ากระแทกเดียวหิวเหมือนกันในตอนนี้เพราะเตียวหวเข้ามาในด่านได้เลยแล้วและเป็นขณะที่ขับขันเดียวครับสูญเสียกำลังใจ ก็คุมทหานจะไปตามทางน้อยริมซอกเขาคือจะหนีมานั้นมาของเดี่ยวครับก็ถูกอาวุธเขา่าถึงเดินไม่ได้เดี่ยวครับก็จำต้องทิ้งมาใแล้วก็หนีข้ามภูเขาไปมีทหารติดตามด้วยประมาณสิบเอ็ดสิบสองคนเท่านั้นเอง เดียวครับผู้ว่าอย่างไรก่อนไปก็ทําทันบนเข้าไว้ด้วยแล้วเนี่ยนาทหารไปสามหมืกลับมาส1บเอ็ดสิองคนเท่านั้นมันเป็นความสูญเสียที่เรียกด้ว่าหมดตัวเลยทีเดียวเดียวครับกลับมาถึงเมืองฮันถงได้ด้วยความยากลําบากยิ่งนะในที่สุด ก็มาถึงอยู่กันตรงก็เข้าไปแจ้งกับโจหองรายงานเนื้อความที่ได้สู้รบกันตามความเป็นจริงทุกประการนั่นแหละคือความพ่าดแพ้ของตนนั่นแหละศูญเสืเยทหารหมดสิ้นเลยโจหองก็โกรธยิ่งนักละ่ะและก็โกรธแต่แรกแล้วมาบัดนี้เดี๋ยวครับพ่ายแพ้กลับมาเช่เนี้โจหองก็จริงว่าเราได้ห้ามแล้ว ตัวก็ไม่ฟัปนปวดฝีมือทำทางบนไว้คุมทาหารสามหมื่นไปทำสึก้วยเดียวหวีหรือทาหารกลับมาแต่1 1 1 2คนชนิดโทษตัวผิดกับทันบนโจหงก็สั่งให้เอาตัวเกียวขับไปฆ่าเซ ย, ยทีเดียว เตียวครับแกถูกสั่งทหารรับได้ไม่ขนาดนั้นนะ่ะก็ชุยก็ได้เข้ามาทวงติงขึ้นวาอันทหารเลวจำนวนหมื่นจำนวนแสนก็หาง่ายอันทหารเอกแต่เพียงหนึ่งเดียวนั้นหายากยิ่งอันหนึ่งพระเจ้าวีอ๋องหมายถึงโจโฉพระเจ้าวีอ๋องก็เ็นดูเตียวครับอยู่ ซึ่งท่านจะให้ประหารฉะนั้นไม่ควรข้าพเจ้าจะขอโทษเดียวครับไว้สักครั้งหนึ่งเถิดให้เตียวครับคุมทหารไปปีนด่านแห่ดึงขวานไว้อย่าให้กองทัพเมืองเสฉวนเข้ามาทําอันตรายเมืองฮันปงได้ชาวเมืองก็จะมีความสุขถ้าเตียวครับเสียทีกลับมาอีกชะนิท่านจึงทําโทษเป็นสองข้อเลยทีเดียวเถอะหีโกชุยเข้าไป ขอร้องขอชีวิตเตียวครับไว้อย่างนี้โจหองก็เห็นชอบเลยซึ่งก็เป็นความจริงเตียวครับนี่เป็นถามที่จโจโฉไว้วางใจมากที่สุดคนนึงดังนั้นโจหองก็ให้ค่าโทษเตียวครับไว้แล้วก็จัดทหารให้ห้าปันให้เตียวครับยกทหารไปรักษาด่านแคบ่ดงข ว, วัตามที่โกถุยว่านั่นแหะเตียวครับก็ลาโจหอง คุมฐานห้าพันไปยังด่านแค่เบงขวนและไข่ฐานเข้าตีด่านเย้าเข้าไว้คือเป็นการหลอกล่อเข้าไว้หนึ่งตังะจุ่นมีฐานของเสฉวนหรือเรียกว่าของเ่าปีแล้วซึ่งคุมฐานอยู่รักษาด่านแค่เบงขวนเห็นดังนั้นก็าปรึกษากันว่านี่เราจะออกรบด้วยค่าสุดดีหรือวจะรักษาด่านมั่นคงไว้ดีนกจุนก็จิงว่า ให้ตั้งรักษาด่านไว้ดีกว่าแต่เม่งตัดไม่ฟังคุหมานออกไปรบกับเตียวครับเตียวครับมีฝีมีดีดังกล่าวแล้วเตียวครับมีขับมาเข้ารบพุ่งข้าบฟันถานเม่งตักล้มตายเป็นอันมากทีเดียวเม่งตักทานกำลังเตียวครับไม่ได้กบพาฐานที่เหลือตายพร้อมกับชีวิตปนนี่แหละหนีกลับเข้าดา่านขังนักจุนเห็นดังนั้น ก็าแต่งหนังสือบอกข้อราชการขึ้นไปยังเมืองเสฉวนเ่าปีแห่งเสฉวนเด็แกแต่งใ น, น, นหนังสือนักด้วยฉะนั้นก็ปรึกษาใด้คเงเบงหวะแบบนี้เดี่ยวขับเนี่ยยกมาตีด่านแห่เงเบงวนเมืองเราอย่างเนี้ยท่านหกหลวงจะคิดประการใดอ่ะคงเบงก็จริงวะท่านจะวิตตุเลย ขบเจาจะคิดให้ทหารออกไปตีให้เตียวครับแต่ให้จงได้ผมเม่งรับคํำง่ายๆอย่างเนี้และผมไม่ก็เรียนนะคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเข้ามาต่อนหน้ารอบปีแล้วผมเองก็แกล้งพูกถึงทีเดียวว่าอันเตียวครับนั้นมีที่มือกล้าหาญนะจํำจะต้องให้มีหนังสือไปตามตัวเตียวหุยมาคือเมตอนนีเดียวหุยเนี่ย อยู่ทั้งเมืองปาเสีนี่แล้วเตียวครับรบกับเตียวหุยทางปาเสแล้วพอกลับมาหันตรงแล้วโจของชายมาดานแคร์บงขวนนี่มันคนละที่กันคนละยุคภูมิกัน น, ก น, นี่ของเบงแกลงทุอย่างนี้ว่าเตียวครับมีที่นี่ก็หันนะขอหนีหนอไปหาตัวเตียวหุยมาจึงจะสู้ที่มีเตียวครับได้เขากหลวงท่านดําเนินกลอย่างนี้ เปล่าพันเอกสารกล้าที่มีดีที่มีอีกมากนะใครจะทนได้หกหลงนะั่นรู้อยู่มีผู้คนไม่ได้หรอกที่จะมากล่าวสังเสริญใครขึ้นมาตนดีกว่าตนนี้เสยกว่าตัวเนี่ยอย่างน้อยก็ห้องตงฐานผู้เขา่าทรงพลังวัยหกสิบเซษห้องตรงนี่ก็พูดไปของเม้งกน ด, ดีเลยว่าพ่นอาจารย์ ทั้งปวงดังนี้เขาใช้คำว่าหลูคือลบลูดูมินนั่นแหละท่านอาจารย์หลูทหารทั้งปวงดังนี้จะมีเสียน้ําใจไปสิ้นหรือแต่ตัวข้าพเจ้าผู้ชารานี้จะขออาสาไปตะเอาศรีรษะเตียวครับมาให้ได้หองตรงอาสาดังนี้เลยทีเดียวล่ะคงเป็นก็จริง ตอบกว่าท่านมีฝีมือก็จริงแต่ทว่าก็ชาราแล้วรกเกรงว่าจะทานกำลังเตียวครับไม่ได้นี่สิคำพูดอย่างนี้สิหกหลงคงไม่ชอบใช้นะกะคือต้องประมาทกันขว้และประมาทคนแก่ว่าแก่ไรฝีมือส่้นกำลังนี่แหละไม่ผลห้องตงโกรธทีนี้ลุกขึ้นแล้วก็พูดวแบบ่า ถึงข้าวเจ้าชาราแต่ก็จะมีกำลังขึ้นเกาทันอันทงน้ำหมัก ถ, ถึงสา0ร้อยช่างได้ควรด้วท่านอาจารย์มาประหมาทข้าวเจ้าว่าจะสู้ฝีมือแต่ไอปิวครับนี่ไม่ได้อ่ะมีห้องตรงโกรธมากทีเดียวผมเบ่งก็พูดว่าเมื่ออายุท่านได้ น, ำน้ำหมักนี้ก็เ0เสิบเศษแล้วมีผมเบ่งทวนอายุทีเดียว แต่ครั้งก่อนนู้นน่ะหกสิบยิงมาตอนที่แต่แรกนู้นแม็เกงจิ๋วใหม่ๆแล้วก็ส่งตัวปูไปตีแล้วก็ได้ตัวฮองตงมาในตอนนั้นฮองตงหกสิบนี่บัตนี่เหตุการณ์มันลุงเริ่มมาจนกระทั่งมาได้เงินเสรส็วนแล้วนี่ยเยเป็นสิปีแล้วนี่ผมว่าอยก็พูดว่าเมื่ออายุท่าได้ถึงเจดสิบเสร็จแล้วแต่ยังขืนว่ามีกําลังนั้นน่ะแต่เราไม่เห็นด้วย ผมได้ดู ด, ดังนี้อของตงก็โกรธนี่นะโกรธเป็นอันมากฮองตงได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งมีความโกรธเป็นอันมากจึงออกมาเอาเงาคู่มือเนี่ยบิเงาสาหรับมือของตนรำรำเพลงเงาจนสิ้นจบเลยคือรํำยิ่งชะกัดชะกันรุนแรงให้เห็นถึงความทรงพลังของตนในวัยเจิเศษนี่แหละเรา ขงเบงและคุณนางทั้งสวงเห็นฮองตรงรำเพลงเงาวนะ่ะงดงามแข่าคล้องว่องไวรวดเร็วทรงพรังมีแรงอยู่เป็นที่ยิ่งก็ ส, สังเิตว่าถึงฝีงมือคนนุมซึ่งทํามและมีกำลังก็หาเสมอหองตงได้ไหมนี่ตาฝันเนกตดทีเดียหฮองตงมันยังยังไม่หายกร เขาไปเอาเกาทันอันแข็งเกาทันะนิดแข็งอยู่ียวมขึ้นสายรองกำลังให้คนไม่ดูจนเกาทันรั้ไปถึงสองขัดของเบ่งก็จึงว่าแต่ห้องตนว่าเอาเมื่อท่าอาสาว่าจะไปก็ไปเถอะแต่เอาทหารรองไปสักคนจะได้ช่วยกันทําการห้องตรงนั้นโกรธมากทีเดียวเรียกว่าแก่ แล้วไม่มีพลังไม่มีกําลังเล็กกระโดมากของตรงก็จริงวะจะให้ทหารรองไปแต่สักคนหนึ่งนั้นข้าพเจ้า ก, ก็จะขอทหารที่ชราเหมือนกับข้าพเจา้าคือจะของเงียมเงนมินเนี่ยไปด้วยถ้าไม่ได้ราชการเนี่ยก็ให้ปรับไอ้ศีรษะที่มันหงอกเนี่ยทิ้งเสียเอถอะผู้ดุจปังครับที่จัดสารพบสมัครเจ้าปัญาพระครั้งหนุนนะครับ ฉบับที่สองหน้าที่237มนะครับมันทัดที่11อถ้าไม่ได้ราชการก็ให้ตัดสิทธิ์ทำเงานี่เฉนๆนะครับมีห้องตรงโกรธมากเลยทีเดียวละ่ะเราปีเร่าปีในวานั้นก็ให้มีความเชื่อใจมั่นใจก็ยินงดีก็ยอมให้ห้องตรงกับเนียมเงนิน ผูเท่าทั้งสองนี่ยไปสุดภาพบูจาเสียงสั่งเตียวจุโ่งหยุ่นผู้มักจะมิเปิดปากพูดจาในการอันไม่สำคัญพอหมักนิจุโ่งจุโ่งก็ได้พูดถึงว่าเดียวครับนั้นน่ะมีฝิมือกล้าแข็งซึ่งท่านได้หองจงเนียเหนังอันเป็นคนชราแล้ว ออกไปรบ ก, กับเตียวครับมันไม่ได้ถ้าเสียดานแท้เบ่งขวนแล้วเมืองเสยช์ชวนก็จะเสียด้วยจูร่งต้องพูดขึ้นทีเดียวตอนนี้จูร่งอยู่ในไวช์กังยังนิ่ก้าวเข้าสู่ไวจารานี้รตอนสุดท้ายจูรง่งพูดขอย่างนี้ของเบ่งก็เบ้เ ง, กงก็จริงแบบอย่าอย่าดูหนิงจูร่งก็จริงนิได้ตอบคำแต่ประการใด องตงเงีเยบงันก็ขมาบราดมาจัดแง่ฐานแล้วก็ยกไปยังด่านแทบเบงขวนฝ่ายเบงตะงะัดนัจีผู้รักษาด่านแทบเบงขวนวเห็นคนชาราท่านสอง คุมทาหารมาสองทหาร น, นี้ก็กระซิบกันว่าขุ่นเบ่ให้ห้องตรงเง่ยนนังสองผู้เท่ามาดังเนี้ยังจะทานซีนีเตี่ยวขับได้แล้วหรือและทั้งสองนี้ก็ชวนกันวเราะเป็นทีเ ย, ย้อย่างอยู่ห้องตรงเห็นดังนั้นกหารมาพูกับเงี่ยหนึน่งนายทหารชราไว้ทับเทียมกันว่า ท่านเห็นแล้วหรือท่านเห็นหรือไม่เป็นต่างนกจุหัวอาเลาะเราว่าคนชาราหามีฝีมือไม่จำเราจะคิดอ่านเอาชายชนะเตียวขับให้ได้ผู้คนทั้งนี้จะได้เกรงเราสืบปคดของตรงว่าอย่างนี้เงิ่หนังก็จริงว่าท่านจะคิดประการใด ข้าประแจ้วก็จะทําตามของตรงวิจิ่าให้ท่านคุ้มฐานอ้อมไปซุ่มอยู่หลังค่ายเตียวข่าถ้าแม่วิมเราออกรูปเมื่อใดอ่ะค่อยคุ้มฐานตีกลมหนาเข้ามานี่จะว่าแล้วก็แขนงกันง่ายสซ้ำๆนี่แหละมีนั้นก็กระทตามพาฐานไปซุ่มอยู่ตามคำที่ฮองตรงสรั่งฮองตรงนั้น ก็คุมหมาออกไปร้องท้าทายเดียวครับทางหน้าค่ายเลทีเดียวละเดียวครับเด็กฟังดังนั้นก็โกรกเดียวครับค้นมาพาถามออกจากค่ายเลยทีเดียวเห็นห้องตรงทหารเท่านี่เดียวครับก็จิว่าตัวนะ่ะแก่ชราถึงเพียงนี้ยังหามีความระอยไมท่านมีหน้าอาสาออกมาทำสงครามจะเอายศเอาศักไปถึงไหน ที่เดียวขับมาอย่างนี้ขอตนก็คือว่าถึงตัวกูจะชาราก็จริงแต่เงาที่กูถนี่มันยังคมอยู่ที่ของตน ว, ว่าอย่างนี้แล้วก็ขับมารังเงาเขารบกับเดียวขับเลยที่อยู่สู้กันได้สิกเพลงมันก็กลายเป็นการต่อสู้ระหวา่างทหารเอกต่อทหารเอกมันดาภัยพลฐานเร็วท่านตัวงนี้ไม่ต้องรบกันแล้วทหารทั้งสองฝ่าย โ h ร้องอีกอกดูตัวหนายทั้งสองรบกันอยู่ห้องตปเตียวครับป่อสู้กันด้ยเงงายังช ก, กาดฉาดกันรุ่งแรงยิ่นะไปที่ตืต่นตาของบุคคลทั้งหลายที่ดูอยู่ในที่นั้นและในขณะนั้นมันแบบเงียมงันผู้เท่าอีกหนึ่งที่ไปซุ่มอยู่ด้านหลังนุงตามสัญญาแล้วนี่เห็นเราออกรบเมื่อได้ให้คุมนันตีกระนาเข้ามาเนี่ย ก็ขณะนี้กองตงเตียวคับฟู่ฮกันอยู่ยมี่ยเห็นได้ชัดย่งกกคุมหมัไปีกระนาบพายเข้ามาทางบ้านรังไข่ตะลุมบอลเข้ามาเลยทีเดียวก็ไลายข้าฟันทหารเตียวครับปีกําลังโห่ร้องดูการฟู่รกอยู่นั่นแหละเลมปลายลงมากมายเตียวขับก็กลายเป็นแบตกอยู่ในระหว่างวงล้อมเขาจะสร้างทานประการใดอย่างไรได้ระ บ, บัดนี้เตียวครับก็ขับมาพาทหารหนี ห้องตรงเงีนัก็คุมหนันรติดตามไปตามไปประมาณถึงเก้าร้อยนคือตามกันเป็นระยะไกลทีเดียวล่ะจนจนรุ่มขึ้นเดี๋ยวรับหมีไปจนรุ่งเชา้าจึงให้ฐานตั้งค่ายมั่นคงลงไว้ทีฝ่ายโจข อ, องโจข อ, อง โจของซึ่งโกรธเดียวครับมากแต่ครั้งแรกมันกล่าวแล้วเนี่ยถูกหาว่าเชื่อแต่คำมอดูและเตียวครับพูดเป็นที่สอบประมาทว่าตัวอย่ายประการอยู่ละและโจข อ, องเนี่ยสั่งะหารเตียวครับไปแล้วโอชุยมารองขอร้องไว้บัดนี้โจข อ, องรั่วเดียวครับแปดไม่อย่างนี้ก็สั่งถามให้เที่ยวหาตัวเตียวครับจัาตัวมาฆ่าให้ได้ กลัวฉวยก็จึนห้ามว่าท่านจะทำแบงนี้ไม่ควรถ้าแม้ความนี้รู้ไปถึงเดียวครับเดียวครับก็จะหนีไปเข้าด้ยวยกับกองครัพมือเสฉวนเสียและการสืบซึ่งจะทำสืบกันไปก็จะขัดสนศัตรูจะมีกำลังเพิ่มเติมฝ่ายเราก็เสียทหารเอกอย่าทำเช่นนั้นเลย ขอให้แต่งทหารไปช่วยกํากับเตียวครับเข้าไว้อย่าให้เตียวครับเอาใจออกหาได้นี่จริงจะควรโกชวุวยกล่าวชันทีโจหองก็ยังพอมีสติเห็นชอบเดือดคือตอนนี้ต้องเกรงแล้วเกงวรงว่าเตียวครับจะหนีไปเข้ากับเหล่าตีละโจหองก็จึงให้แฮรัวอรงหลานของแหวัวตุ้ และฮันโฮซึ่งเป็นน้องของฮันเหยีย e นสองคนเนี่ยแฮร์ริวซงกับฮันโฮคุณฐานหทาฐานจะไปช่วยเตียวครับตามคําโกฉุยว่าคือว่าไปกํากับพวกคุยเตียวครับไว้ด้วยนั่นเองแหละแฮร์ริวซงกับฮันโฮนั้นก็ไปตามคําสั่งที่เป็นความประการสองคั้อีกอย่างนึ่งก็คือว่า ในตอนนี้เตี้ยวขับเนี่ยเด็กขับเที่ยวกับสองทหารผู้เฒ่าคือห้องตรงดับเีเนียนันที่อาสาของเบ่งมาหงหลงของเบ่งก็มีวิธีการใช้คนแบบดึถูกดึหมิ่น ก, ก, กันมั่งเล็กน้อยพอสมควรเหยียดหยามพลังฝีมือกันมั่งคืออันนี้เพื่อให้บุคคลนั้นเกิดความกําลังใจมั่งคงที่จะต้อง เาใชชนะให้ได้เนี่และก็ได้ทนละหองตรงยิงหนังนนเกิดทำเอาเตียวครับม่ยังแย่จนต้องมีนัสือไปขอกำลังทุนเติมจากโจหองนะ่ะแต่โจหองใช้หาตัวมากฆาแต่แล้วโกชุวแนะนำใหม่คือให้ทรงแฮรวสทรงฮันโฮมาบุคนเมื่อสองนี้ก็คุมทหารมาทีเดียวเรือมาพบกับเตียวครับ แฮร์วัสดงกับฮันโฮก็บอกกับเดียวครับว่าโจหองให้ขบเจ้าะทั้งสองคุณหารเพิ่มเติมมาช่วยข้างเดียวครับก็จริงว่าฮองตงมีนังนิ่มเป็นคนชาราที่มีฟิสิกรกล้านนะซึ่งเราจะคิดเอา ช, าชนะมันยากดิ่งฮันโฮก็จรงว่าฮองตงมีขบเจาวิจาแต่เดิน หองตรีอยู่เมือเพียงสาห้อตเนี่ยเป็นไส้ึของเมืองเปียงสามาเข้าด้วยกวนอูแล้วก็ให้เหียนเนี่ยฆ่าหันเฮียนพี่ชายข้าวเจ้าเสียมีฮันโฮฮันโฮฮันโอเป็นน้องหันเรียนหันเฮียนนี่เป็นเจ้าเมือเพียงสามาก่อนอาราเซ ความพยายามผูกพันกันมาอย่างนี้มีอันโรบอกว่ารุ้จักรู้จักฮองตงดีนี่พี่ชายขบเจ้าสูญเสียชีวิตไปนี่ด้วยเหตุเนี่ยตัวขบเจ้าจะขอทําการแก้แข้นฮองตงให้สุาหน้านี่ฮันโรว่าชะนี้แล้วก็พาแฮร์ริสซงคุมทหารไปทีเดียวหวังจะได้รบกับฮองตงขุนทหารเข้า วัยเจ็ดสเกินทางฝ่ายฮองตงเมื่อมาตั้งค่ายอยู่นะก็พานิ่ ง, งั้นกับทหารไปเที่ยวดูภูที่ประเทศทั้งปวงอ่ะดีดีก็เป็นวิธีการที่เปวิธีที่หกหลงทาาจาร์หกหลงใช้อยู่ทุกครั้งอนะ่ะคิงเจ้าหุยก็เคยใช้วิธีนี้นีฮองตง เงีหนังมาครั้งนี้ก็ใช้ไวิทนีนี้ีอันใดที่ทําเกิดทําไว้ดีแล้วอะ่ะก็จะเก็บมาใช้ตามหมิงนี้เดี๋ยวมันจะเสียหายอะ่ะก็พาฐานออกไปดูภูมประเทศดูไรล่งหทางทางน้อยทางใหญ่ทุกตำบลรู้ละรูุู้มิประเทศดีละแล้วก็เห็นฐานโจโฉเนี่ยมารักษาสเสบียงอยู่นะเขาเทียงตองสังเงียนหนังก็ว่าแต่ห้องตรงอ่ะ ถ้าคิดอ่านตับส่วนเบี้ยบีได้ี